สันดอนชาดกว่าด้วยพระเจ้าเวสันดอนทรงบำเพ็ญบารมีชาติสุดท้ายกันทศพรเท้าสักกะตรัสว่าพุสดีผู้มีรัศมีผิวพรรณอันประเสริฐมีอวัยวะส่วนด้านหน้าสวยงามเธอจงเลือกอภพรสิประการในปัตภีอันเป็นที่รักแห่งหารุไทยของเธอเถิดเทพที่ดาพุสดีกราบทูลว่า ข้าแต่เท้าเทวราชมอมฉันขอนอบน้อมพระองค์มอมฉันได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หรือพระองค์จึงให้มอมฉันจุติจากสถานอันน่ารื่นรมดุจลมพัดต้นไม้ใหญ่ให้โค่นไปเท้าสักกะตรัสว่าเธอไม่ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้เลยและเธอจะไม่เป็นที่รักของเราก็หามิได้แต่บุญของเธอได้หมดสิ้นแล้วเหตุนั้นเราจึงกล่าวกับเธออย่างนี้ ความตายใกล้เธอแล้วเธอจะต้องพลัดพรากจากไปเธอจงรับพรสิบรการนี้ของเราผู้กำลังจะให้เทพธิดาพุษดีกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักระผู้เป็นใหญ่กว่าผู้ทั้งปวงถ้าพระองค์จะประทานพรแก่มอมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้ม่อมฉันพึงเกิดในพระราชนิเวศของพระเจ้ากรุงศรีพีข้าแต่เท้าปุรินทะขอให้มอมฉันหนึ่ง พึงเป็นผู้มีตาดำเหมือนลูกเนื้อทรายซึ่งมีในตาดำสองพึงมีขนคิ้วดำ 3. าพึงมีนามว่าผุสดีในพระราชนิเวศนั้นสพึงได้โอรสผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐประกอบความเกื้อกูลในยาจกมิได้ตรณีซึ่งพระราชาทุกประเทศบูชามีเกียรติยศหเมื่อมอมฉันตั้งคันข อ, อย่าให้คันนูนขึ้น พึงมีขันไม่โนนเสมอดังคันสอนที่นายช่างสอนเราเกลี้ยงเกล่ำแล้วห ก, กาว 6. ขาแต่ท้าวาสวะขอทันทั้งคู่ของม่อมฉันอย่าได้ย่อนญาณเจขอผมหงอกจงอย่าได้มีแปขอผงทุลีอย่าได้ติดเปรอะเปื้อนกายเกขอม่อมฉันพึงได้ปลดปล่อยนักโทษผู้ต้องประหาร ขอให้หม่อมฉันได้เป็นอัครามเหสีของพระเจ้ากรุงมสีพีในพระราชนิเวศนั้นอันปึกก้องไปด้วยเสียงร้องของนกยูงและนกกระเรียนแวดล้อมด้วยหมู่คติยานารีมีทั้งคนเตี้ยและคนค่อมเกลื่อนกล่นที่พ่อครัวชาวแควนมคตเลี้ยงดูปึกก้องไปด้วยเสียงกรอนและเสียงบานประตูอันวิจิตมีคนเชิญให้เดิมสุราและกินกลับแกล้มเถิดพระเจ้าค่าท้าสักกะตรัสว่า นางผู้งามทั่วทั้งสันพางกายพรสิบประการใดที่เราได้ให้เธอเธอจกได้พรเหล่านั้นทั้งหมดในแคว้นของพระเจ้ากรุงศรีพีท้าววาสะวะมะกวาลสุชัมบดีเทวราชครั้นตรัสพระดำรัดนี้จึงโปรประธานพรแก่พระนางผุสดีแล้วทรงอนุโมทนากันทศพรจบพันหิมะพานพระาศาสดาตรัสเนื้อความนี้ว่า พระนางผุสดีนั้นจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วมาบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าสนชัยในกรุงเชตุดรพระนางผุสดีทรงคันท่วนทศมาศแล้วเมื่อทรงทำประทักษีพระนครได้ประสู์เราในท้ำกลางถนนของพวกพ่อค้าชื่อของเราไม่ได้เนื่องมาแต่พระมารดาและไม่ได้เกิดแต่พระบิดาเราเกิดที่ถนนของพวกพ่อค้า ฉะนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดรเมื่อเรายังเป็นเด็กเล็กเกิดได้แปดขวบนั่งอยู่บนปราสาทคิดที่จะบริจาคทานว่าเราพึงให้หะไทยดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายถ้าว่าจะมีใครมาขอเราเราก็ยินดีบริจาคให้เมื่อเราคิดจะบริจาคทานตามสภาพความเป็นจริงใจก็ไม่หวั่นไหวมุ่ง ม, มั่นอยู่ในการนั้น เหมือนแผ่นดินมีภูเขาสีเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับพระเวชันดอนตรัสกับพวกพราหมณ์ผู้มาทูลขอช้างว่าพวกพราหมณ์ผู้มีขนรักแร้ดกและมีเล็บยาวมีขี้ฟันเครอะมีธุลีบนศีรษะเหยียดแขนข้างขวาออกจะขออะไรฉันหรือพวกพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์ทั้งหลายทูลขอรัตนะ ที่เป็นเครื่องทําให้แขวนของชาวกรุงศรีพีเจริญพอได้โปรพระราชทานช้างตัวประเสริฐมีงานดุจงอนไทยมีกําลังสามารถเถิดพระเวสสันดรตรัสว่าเราจะให้ช้างพลายซับมันตัวประเสริฐซึ่งเป็นช้างพานะอันสูงสุดที่พวกพราหมณ์ขอเราเราไม่ได้หวันไหวพระราชาผู้ทรงพรดุงแคว้นให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีมีพระไทยน้องไปในการบริจาค เสด็จลงจากคอช้างทรงให้ทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วคราวนั้นความน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าก็ได้เกิดขึ้นแผ่นดินก็กำปนาดวอนไหวเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วคราวนั้นความน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวก็ได้เกิดขึ้น ชาวพระนครก็กำเริบเสฝฟสาลเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วชาวเมืองก็วุ่นวายสับสนเสียงดังเจงแจ้เป็นที่น่าสะพริงกลัวแพร่กระจายไปมากมายพระนครก็ปั่นป่วนเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพรดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีผีได้พระราชทานช้างตัวประเสริฐแล้วเสียงอื้ออึงอันน่าสะพรึงกลัวเป็นอันมากก็เป็นไปในนคร น, นั้น พระศาสดาตรัสว่าพวกคนผู้มีชื่อเสียงพระราชบุตรแพทย์ชาวนาพราหม์กองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบชาวนิคมและชาวกรุงศรีพีทั้งมวลมาประชุมพร้อมกันชนเหล่านั้นเห็นพวกพราหม์นำพญาช้างไปจึงกราบทูลแด่พระเจ้ากรุงสนชัยให้ทรงทราบว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพแคว้นของพระองค์ถูกกาจัดแล้ว เพราะเหตุไรพระเวชันดอนพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างตัวประเสริฐของเราทั้งหลายที่ชาวแคว้นบูชาทำไมพระเวชันดอนจึงได้พระราชทานพญากุณชรของเราทั้งหลายตัวมีงาดุจงอนไถแเกล้วกล้าสามารถรู้จักเคถ่งการรบทั้งปวงเผือกผ่องประเสริฐสุดคลุมด้วยผ้ากําพลเหลืองซับมันอาจ ย, ย่ำยีศัตรูได้มีงาห น, น้าชอบใจ เผือกผ่องดังภูเขาไกลลาดพร้อมทั้งพัดวารวีชนีทำไมพระเวสันดอนเจได้พระราชทานพญาช้างราชพานะซึ่งเป็นยานชั้นเลิศเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐพร้อมทั้งฉัดขาวเครื่องลาดหมอช้างและคนเลี้ยงช้างแต่พวกพราหมณ์พระเวสันดรนนั้นควรจะพระราชทานข้าวน้ำผ้านุ่งห่มและที่นั่งที่นอนทานเช่นนี้แหละเหมาะสม ทานนั้นแหละสมควรแก่พรามข้าแต่พระเจ้ากรุงสนชัยทำไมพระเวสันดรพระโอรสผู้เป็นพระราชาโดยเสือพระราชวงศ์ของพระองค์นี้ผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีจึงพระราชทานพญาขุจาศานไปถ้าพระองค์จะไม่ทรงทำตามคำนี้ของชาวกรุงศรีพีชาวกรุงศรีพีเห็นทีจะยึดอำนาจพระองค์พร้อมทั้งพระโอรสไว้ในเงื้อมมือ พระเจ้าสนชัยตรัสว่าถึงชนบทจะไม่มีและแม้แคว้นจะพินาศไปก็ตามเถิดเราจะไม่พึงเนรเทศพระราชบุตรผู้ไม่มีโทษออกไปจากแคว้นของตนตามคำของชาวกรุงศรีพีเพราะพระราชบุตรเกิดจากอกของเราถึงชนบทจะไม่มีและแม้แควนจะพินาศไปก็ตามเถิดเราจะไม่พึงเนรเทศพระราชบุตรผู้ไม่มีโทษออกไปจากแคว้นของตนตามคำของชาวกรุงศรีพี เพราะพระราชบุตรเกิดแต่ตัวของเราอันหนึ่งเราจะไม่พึงประทุษร้ายในพระราชบุตรนั้นเพราะเธอเป็นผู้มีศีลและวัดอันประเสริฐแม้คำติเตียนจะพึงมีแก่เราและเราจะพึงประสบบาปเป็นอันมากเราจะให้ประหารพระเวสันดรโอรสของเราด้วยศาสตราได้อย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าพระองค์อย่าได้รับสั่งให้ประหารพระเวสันดรนนั้นด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตรา พระเวสสันดร น, นั้นไม่ควรแก่เครื่องจองจําแต่จงทรงขับไล่พระเวสสันดร น, นั้นจากแคว้นไปอยู่ที่เขาวงกฏเถิดพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าความพอใจของชาวกรุงศรีพีเป็นเช่นนี้เราก็ไม่ขัดขอเธอจงอยู่และบริโภคการทั้งหลายตลอดคืนนี้ต่อจากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวกรุงศรีพีจงพร้อมเพลียงกันขับไล่เธอเสียจากแคว้นเถิด นายนักการท่านจงลุกขึ้นรีบไปทูลพระเวสสันดรว่าขอเดชะชาวกรุงศรีพีชาวนิคมพากันโกรธเคืองพระองค์มาชุมนุมกันแล้วพวกคนผู้มีชื่อเสียงพระราชบุตรแพทยพรามกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบทั้งชาวนิคมและชาวกรุงศรีพีทั้งมวลก็มาประชุมพร้อมกันแล้วเมื่อสิ้นราตรีนี้แล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว ชาวกรุงศรีผีจะชุมนุมกันขับไล่พระองค์ออกไปจากแคว น, นนายนักการนั้นเมื่อได้รับพระราชดำรัสสั่งจึงรีบสวมสอดเครื่องประดับมือนุ่งห่มเรียบร้อยประพรมด้วยจุนแก่นจันทร์สะซีสะในน้ำสวมกุนทนแก้วมณีแล้วรีบเข้าไปตำหนักอันน่ารื่นรมซึ่งเป็นพระราชนิเวศ ข, ของพระเวชันดอน ได้เห็นพระเวชันดรราชกุมารซึ่งกําลังทรงพระสํารารรื่นรมอยู่ในพระราชวังของพระองค์ซึ่งแน่นขนาดไปด้วยหมูอํามาดปานประหนึ่งเท้าวาสวะแห่งจวรรค์ชั้นไตรทศนายนการนั้นครั้งรีบเข้าไปในพระราชนิเวศนั้นแล้วจึงได้กราบทูลพระเวชันดรว่าข้าแต่พระองค์ผู้จอมทัพข้าพระองค์จะกราบทูลความทุกแด่พระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทรงกลิ้วข้าพระองค์เลย นายนักการนั้นถวายบังคมแล้วพรางร้องไห้คร่ำครวญกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพระองค์ทรงนำมาซึ่งรถที่น่าใคร่ทุกอย่างข้าพระบาทจะกราบทูลแด่พระองค์เมื่อข้าพระองค์กราบทูลข่าวสารเรื่องทุกข์ร้อนนั้นแล้วขอพระองค์จงทรงยังข้าพระองค์ให้เบาใจด้วยเถิดขอเดชะ ชาวกรุงศรีพีและชาวนิคมโกรธเคืองพระองค์มาชุมนุมกันแล้วพวกคนผู้มีชื่อเสียงพระราชบุตรแพทย์พราหม์กองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบทั้งชาวนิคมและชาวกรุงศรีพีทั้งมวลล้วนมาประชุมกันเมื่อสิ้นราตรีนี้แล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วชาวกรุงศรีพีจะชุมนุมกันขับไล่พระองค์ออกไปจับแคว้น พระวิสันดรตรัสถามว่านายนักการเพราะเหตุไรชาวกรุงศรีพีจึงโกรธเคืองเราขอท่านจงบอกความชั่วที่เรามองไม่เห็นทำไมพวกเขาจึงจะขับไล่เรานายนักการกราบทูลว่าพวกคนผู้มีชื่อเสียงพระราชบุตรแพทย์พราหม์กองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถกองพลราบต่างพากันตีเียน เพราะพระองค์พระราชทานพญาช้างเหตุนั้นพวกเขาจึงจะขับไล่พระองค์พระเวสันดรตรัสว่าเราจะให้หาไทยให้จักสุเงินทองแก้วมุกดาแก้วไพลทูลหรือแก้วมณีซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรายไปเมื่อยาจกมาถึงเราเห็นแล้วจะเพิ่งให้แขนขวาแขนซ้ายก็ไม่หวั่นไหวเลยใจของเรายินดีในการให้ ถึงชาวกรุงศรีพีทั้งมวลจะขับไล่เราหรือจะเข็นฆ่าเราหรือตัดเราให้เป็นเจ็ดท่อนก็ตามเถิดเราก็จะไม่งัการให้เลยชาวกรุงศรีพีและชาวนิคมประชุมพร้อมกันกล่าวอย่างนี้ว่าพระเวสสันดรผู้มีวัดอันงามจงเสด็จไปสู่อารันชะคีรีทางฝั่งแม่น้ำโกลติมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูกขับไล่เสด็จออกไปนั้นเถิด พระเวสสันดรตรัสว่าเรานั้นจะไปตามทางที่พระราชาผู้มีโทษเสด็จไปขอให้ท่านทั้งหลายจงงดโทษแก่เราคืนหนึ่งและวันหนึ่งขอให้เราได้ให้ทานก่อนเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระราชาตรัสตักเตือนพระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วสรรพางกายว่าทรัพยังใดอย่างหนึ่งที่ได้ให้แก่พระนาง และสิ่งของที่ควรสงวนอันเป็นของพระนางคือเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไผ่ทูลมีอยู่เป็นอันมากและทรัพย์ฝ่ายบิดาของพระนางเองควรเก็บไว้ทั้งหมดพระนางมัสสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางกายได้ทูลถามพระเวสันดร น, นั้นว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพมอมฉันจะเก็บไว้ที่ไหนมอมฉันได้ทูลถามพระองค์แล้วขอได้โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นเถิด พระเวชันดอนตรัสว่ามัตสีเธอพึงให้ทานในท่านผู้มีศีลทั้งหลายตามสมควรเถิดเพราะที่พึ่งอย่างอื่นของสัก์ทั้งปวงยิ่งไปกว่าทานไม่มีมัตสีเธอพึงเอาใจใส่ลูกทั้งหลายพึงเอาใจใส่ในแม่ผัวและพ่อผัวอันหนึง่งผู้ใดพึงตกลงปลงใจว่าจะเป็นพระสวามีของเธอก็พึงบำรุงผู้นั้นด้วยความเคารพ ถ้าไม่มีผู้ใดตกลงปรงใจเป็นพระสวามีของเธอเพราะเธอกับพี่จะต้องพระพรากจากกันเธอก็จงสแสวงหาผู้อื่นมาเป็นพระสวามีเธออย่าลำบากเพราะขาดเราเลยเพราะเราจะไปสู่ป่าที่น่าสะพรึงกลัวอันประกอบด้วยสัตว์ร้ายเมื่อเราคนเดียวอยู่ในป่าใหญ่ชีวิตก็น่าสงสัยพระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางกาย ได้ทูลถามพระเวสสันดร น, นั้นว่าทำไมพระองค์จึงตรัสเรื่องที่ไม่เป็นจริงทำไมจึงตรัสเรื่องไม่ดีข้าแต่มหาราชผู้เป็นกษัตริย์การที่พระองค์จะพุนเสด็จไปตามลําพังนี้ไม่ใช่ธรรมแม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปตามทางที่พระองค์เสด็จไปความตายร่วมกับพระองค์หรือการมีชีวิตอยู่เว้นจากพระองค์ความตายร่วมกับพระองค์เท่านั้นประเสริฐกว่า การมีชีวิตอยู่เว้นจากพระองค์จะประเสริฐอะไรการก่อไฟให้ลูกโพรงมีเปลวเป็นอันเดียวกันแล้วจึงตายในไฟที่ลูกโพลงนั้นประเสริฐกว่าการมีชีวิตอยู่เว้นจากพระองค์จะประเสริฐอะไรช้างพังติดตามพญาช้างผู้ได้รับการฝึกอยู่ในป่าเที่ยวไปตามซอกเขาเสมอบ้างไม่เสมอบ้างฉันใดหม่อมฉันจะพาลูกทั้งหลายติดตามพระองค์ไปข้างหลังฉันนั้น หม staff, ่อมฉันจะเป็นผ <child> well ู้เลี้ยงง่ายสําหรับพระองค์จกไม่เป็นผู้เลี้ยงยากสําหรับพระองค์เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านี้ส่งเสียงไพเราะผู้จาน่ารักนั่งอยู่ในที่พุ่มไม้ในป่าจกไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านี้ส่งเสียงไพเราะผู้จาน่ารักกําลังเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าจกไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านี้ทรงเสียงไพเราะผู้จาน่ารักอยู่ที่อาสมอันน่ารื่นรมจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านี้ทรงเสียงไพเราะผู้จาน่ารักเล่นอยู่ที่อาสมอันน่ารื่นรมจักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านี้ ผู้ทัดสรงมาลาประดับองค์อยู่ที่อาสมร ม, มนียสถานจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารเหล่านี้ผู้ทัดทรงมาลาประดับองค์เล่นเพลิดเพลินอยู่ในอาสมอันน้าราื่นรมจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเหร็นพระกุมารเหล่านี้ทัดสรงมาลาอยู่ในอาสมอันน้าราื่นรมเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระกุมานทั้งหลายทัศน์รงมาลากำลังฟ้อนรำเล่นเพล่เพลินอยู่ในอามสมอันน่ารื่นรมเมืม่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นช้างพลายมีวัยล่วงได้หกสิบปีกำลังเที่ยวไปในป่าตามลำพังเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นช้างพลาย มีวัยล่วงได้หกสิบปีกําลังเที่ยวไปทั้งในเวลาเย็นเวลาเช้าเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดช้างพลายมีวัยล่วงได้หกสิบปีเดินนําหน้าโขลงช้างพังไปส่งเสียงร้องดังปึงกก้องพระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้องของช้างที่บันเลอลั่นอยู่นั้นเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์พุ้งให้เสียงที่น่าพอใจ ได้ทอดพระเนตรเห็นลำแนวไพรสองข้างแห่งทางอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายเมื่อนั้นก็จับไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระองค์ครั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเนื้อที่เดินมาเป็นฝูงฝูงละห้าตัวในเวลาเย็นและได้ทอดพระเนตรเห็นพวกกินนอนกําลังฟ้อนรําอยู่ก็จับไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทรงสดับเสียงกระเซ็นของแม่น้ําที่กําลังหลังไหลยอยู่ และเสียงเพลงขับกล่อมของพวกกินนอนเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถ mhm ึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทรงสดับเสียงร้องของนกเขาที่บินเที่ยวไปตามซออเขาเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทรงสดับเสียงร้องของเหล่าสัตว์ร้ายคือราชสีเสือโคร่งแรดและวัวลานเมื่อนั้นก็จกไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงซึ่งล้อมสะพรั่งไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายกำลังรำแพนหางจับอยู่บนยอดเขาเมื่อนั้นก็จับไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงที่มีขนปีกงามตระการตาซึ่งกำลังรำแพนหางอยู่ล้อมสะพรั่งไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายเมื่อนั้นก็จัไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงตัวมีคอสีเขียวมีงอนงามล้อมสะพรั่งไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายฟ้อนรำอยู่เมื่อนั้นก็จกักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ทั้งหลายมีดอกเบ่งบานกลิ่นหอมอบอวลในฤดูเหมันเมือ่อนั้นก็จักไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นดิน อันดาราดาไปด้วยมแมลงค่อมทองมีสีเขียวสดฉ่มในเดือนท้ายฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนธเห็นต้นไม้ทั้งหลายมีดอกบานสะพรั่งคืออันชันเขียวที่กำลังผลิยอดอ่อนต้นโลดและบัวบกที่มีดอกบานสะพรั่งมีกลิ่นหอมอบอวลไปในฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ไม้มีดอกบานสะพรั่งและปทุมชาติมีดอกร่วงหล่นลงในเดือนท้ายฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติกันหิมะพานจบกันทานกันพระศาสดาเพื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระนางผุษดีราชบุตรีผู้ทรงยศ ได้ทรงสดับคํำที่พระโอรสและพระสุนิสาพร่ำสนทนากันทรงคร่ำครวญว่าเรากินยาพิษตายเสียดีกวา่าเรากระโดดเหวตายเสียดีกวา่าเราเอาเชือกผูกคอตายเสียดีกวา่าเพราะเหตุใดชาวกรุงศรีพีจึงจะให้ขับไล่ลูกเวชนดรผู้ไม่มีโทษเล่าเพราะเหตุใดชาวกรุงศรีพีจึงจะให้ขับไล่ลูกเวชนดรผู้ไม่มีโทษผู้ปราบเรือง เป็นธานบดีควรเกิดการขอไม่ตรณีผู้ศิพระราชาทุกๆประเทศบูชามีเกียรติยศเพราะเหตุไรชาวกรุงศรีพีจึงจะให้ขับไล่ลูกเวชนดรผู้ไม่มีโทษผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเพราะเหตุไรเจ้ากรุงศรีพีจึงจะให้ขับไล่ลูกเวชนดรผู้ไม่มีโทษผู้เกือ้อกูลแก่พระราชาพระเทวี พระญาตทั้งหลายมิจะหายทั้งหลายและทั่วทั้งแควน้นชากรุงศรีพีจะให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษแคว้นของพระองค์ก็จะเป็นเหมือนรังพึ่งที่ตัวมแมลงพึ่งหนีจากไปและเหมือนผลมะม่วงสุกที่ร่วงหล่นลงบนดินพระเจ้าแผ่นดินผู้อันผู้อมมาทอดทิ้งแล้วจะทรงลำบากอยู่ตามลําพังเหมือนหงมีขนปีกสิ้นแล้วลำบากอยู่ในเปลือกต้มที่ไม่มีน้ํา ข้าแต่มหาราชเพราะฉะนั้นหมอมฉันจึงขอกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงเลยพระองค์ไปเสียขอพระองค์อย่าได้ทรงขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษนั้นตามคำของชาวกรุงศรีพีเลยตามคำของชาวกรุงศรีพีเลยพระเจ้าสนชัยตรัสว่าเราย่อมทำความยำเกรงต่อธรรมเราจึงขับไล่ลูกของตนผู้เป็นธงชัยของชาวกรุงศรีพี ถึงแม้ลูกจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราเองพระนางผุ้ชะดีทรงคร่งครวญว่าเมื่อก่อนยอดธงปลิวสะบัด ต, ตามเสด็จพระเวชันดรเหมือนดอกปณิสตาบานสะพรั่งวันนี้เธอจกเสด็จไปองค์เดียวเท่านั้นเมื่อก่อนยอดธงปลิวสะบัด ต, ตามเสด็จพระเวชัดนดรเหมือนสวนดอกกานิกาที่บานสะพรั่งวันนี้เธอจะเสด็จไปองค์เดียวเท่านั้น เมื่อก่อนกองทหารเคยตามเสด็จพระเวชันดรเหมือนดอกกัิกาที่บานสะพรัง่งวันนี้เธอจักเสด็จไปองค์เดียวเท่านั้นเมื่อก่อนกองทหารเคยตามเสด็จพระเวชันดรเหมือนสวนดอกกัิกาที่บานสะพรัง่งวันนี้เธอจักเสด็จไปองค์เดียวเท่านั้นเมื่อก่อนกอนงทหารเคยแต่งเครื่องแบบผ้ากำพลเหลืองจากแคว้นคันทาระทอแสงแวววับเหมือนแมลงข่อมทอง เคยตามเสด็จพระเวสสันดรวันนี้เธอจกเสด็จไปองค์เดียวเท่านั้นเมื่อก่อนพระเวสสันดรเคยเสด็จไปด้วยช้างพระที่นั่งวอและราชรถทรงทำไมเล่าวันนี้จะเสด็จไปด้วยพระบาทเมื่อก่อนพระเวสสันดรเคยลูบไล่องค์ด้วยจุนแก่นจันเตินอยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องทำไมเล่าวันนี้จะทรงหนังสืออันยาบแข็งและหาบบริขารไป เพราะเหตุใดกองทหารจึงไม่ขนเอาผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดและหนังเสือติดตามพระเวสสันดรผู้เสด็จไปในป่าใหญ่เล่าพระเวสสันดรจึงจะไม่ต้องนุ่งห่มผ้าคากรองพวกคนที่เป็นเจ้าทรงผนวดจะทรงครองผ้าคากรองได้อย่างไรหนอะแม่มสัสซีจะนุ่งห่มผ้าคากรองได้อย่างไรพระนางมสัสซีเคยใช้แต่ผ้าแคว้นกาสีแคว้นขโมก และแคว้นโกธุมพรแล้วมาใช้ผ้าคากรองจะทำได้อย่างไรพระนางมัตสีนั้นเคยไปด้วยยานคานหามวอและรถวันนี้จะเดินเท้าไปตามทางได้อย่างไรพระนางมัตสีผู้มีสิริโฉมมีฝ่ามืออัน่อนอนุ่มมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขวันนี้จะเดินเท้าไปตามทางได้อย่างไรพระนางมัตสีผู้มีฝ่าเท้า อ, อนอ่อนนุ่ม มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเดินไปอย่างลำบากด้วยรองเท้าทองวันนี้จะเดินเท้าไปตามทางได้อย่างไรพระนางมัตสีผู้ทัศงมาลาเดินนำหน้านางข้าหลวงเป็นพันวันนี้จะเดินไปป่าคนเดียวได้อย่างไรพระนางมัตสีเมื่อก่อนได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งหวาดกลัวประจําวันนี้จะเดินไปป่าได้อย่างไร พระนางมะซีผู้ได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกคู่ร้องครวญครางก็หวาดกลัวตัวสั่นเหมือนนางวารุณีวันนี้จะเดินไปป่าได้อย่างไรมอมฉันกลับมายัางนิเวศอันว่างเปล่านี้แล้วก็จะกระทมทุกข์ตลอดกาลนานเป็นแน่แท้เหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังอันว่างเปล่าเมื่อมอมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งหลายก็จะผอมเหลืองลง เหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังอันว่างเปล่าเมื so, sí. so ่อมอมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งหลายก็จะวิ่งพลาดไปตามที่นั้นๆเหมือนแม่นกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังอันว่างเปล่ามอมฉันมายังนิเวศอันว่างเปล่านี้แล้วก็จะกระทมทุกข์สิ้นกาลนานเหมือนแม่นกออกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังอันว่างเปล่าเมื่อมอมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งหลายก็จะผอมเหลืองเป็นแน่แท้ เหมือนแม่นกออกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังอันว่างเปล่าเมื่อมอมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งหลายก็จะวิ่งพลาดไปตามที่นั้นๆเหมือนแม่นกออกที่ลูกถูกฆ่าเห็นแต่รังอันว่างเปล่ามอมฉันกลับมายังนิเวศอันว่างเปล่านี้แล้วก็จะระทมทุกตลอดกาลนานเป็นแน่แท้เหมือนแม่นกจะกระพซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่ไม่มีน้าเมื่อมอมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งหลาย ก็จะผอมเหลืองเป็นแน่แท้เหมือนแม่นกจักระภาคซกเซาอยู่ในเปลือกตมที่ไม่มีน้ําเมื่อมอมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งหลายก็จะวิ่งพลาดไปตามที่นั้นๆเหมือนแม่นกจักระภาควิ่งพลานอยู่ในเปลือกตมที่ไม่มีน้ําเมื่อมอมฉันพร่ำเพ้ออยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังทรงให้ขับไล่ลูกเวชันดรผู้ไม่มีความผิดจากแว่งแคว้นไปสู่ป่ามอมฉันเห็นจะละชีวิตแน่ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระสนมกำนันในพระเจ้ากรุงศรีพีทั่วนหน้าได้ยินคำรำพันของพระนางผุชดีแล้วต่างพากันมาประชุมประคองแขนทั้งหลายขึ้นร่ำให้พระโอรสทั้งหลายและพระชายาในนิเวศ ข, ของพระเวชันดรต่างก็นอนกันแสงเหมือนหมูไม้รังที่ถูกพายุพัดล้มระเนระนาด พระชนมกกำนันในพระกุมารแพทย์และพรามในนิเวศของพระเวสันดรต่างพากันประคองแขนทั้งหลายคร่ำครวญกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลรากต่างก็พากันประคองแขนคร่ำครวญในนิเวศของพระเวสันดรต่อจากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วต่อมาพระเวสันดรนก็เสด็จมาสู่โรงทานเพื่อทรงให้ทาน โดยรับสั่งว่าพวกท่านจงให้ผ้าแก่ผู้ต้องการผ้าให้เหล้าแก่พวกนักเลงเหล้าให้โภชนะแก่พวกคนผู้ต้องการโภชนะโดยทั่วถึงกันและพวกท่านอย่าได้เบียดเบียนพวกวันิพกผู้มาณที่นี้จงเลี้ยงดูพวกเขาให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำพวกเขาได้รับการบูชาแล้วก็จงไปเถิดคราวนั้นมีเสียงอึกทึกกึกกล้องน่าสะพรงกลัว เป็นไปในพระนครนี้ว่าชาวกรุงศรีพีขับไล่พระเวชันดร น, นั้นเพราะทรงบริจาคทานขอให้พระองค์ได้ทรงบริจาคทานต่อไปอีกเถิดเมื่อพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีจะเสด็จออกวันนิพกเหล่านั้นก็เป็นดังคนเมามีท่าทางอิดโรยเนื่องปรับทุกข์กันและกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวกรุงศรี พ, พีพากันขับไล่พระเวชันดร ผู้ไม่มีความผิดไปจากแคว้นก็เหมือนได้พากันตัดต้นไม้ที่มีผลต่างๆท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวกรุ HAEL งศรีพีพากันขับไล่พระเวชันดอนผู้ไม่มีความผิดไปจากแคว้นก็เหมือนได้พากันตัดต้นไม้ที่ให้สิ่งที่น่าต้องการทุกอย่างท่ ETH านผู้เจริญทั้งหลายชาวกรุงศรีพีพากันขับไล่พระเวชันดรผู้ไม่มีความผิดไปจากแคว้น ก็เหมือนได้พากันตัดต้นไม้ที่นำรถที่น่าต้องการทุกอย่างมาให้เมื่อพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีจะเสด็จออกทั้งคนแก่เด็กและคนปานกลางต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องห้าคร่ำครวญเมื่อพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีจะเสด็จออกพวกทรงเจ้าพวกขันทีสนมฝ่ายในและโหรหลวง ต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญเมื่อพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงสีพีจะเสด็จออกแม่หญิงทั้งหลายที่อยู่ในกรุงนั้นต่างก็พากันร้องไห้คร่ำครวญสมณพราหมณ์และพวกวันิพกเหล่าอื่นต่างพากันประคองแขนทั้งหลายร้องไห้คร่ำครวญว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าเป็นการไม่ยุติธรรมเลย เพราะเหตุที่พระเวชันดรกําลังบําเพ็ญทานอยู่ในพระราชวังของพระองค์จะเสด็จออกไปจากแคว้นของพระองค์เพราะคําของชาวกรุงศรีพีเป็นเหตุพระเวชันดรได้พระราชทานช้างเจ็ดร้อยเชือกที่ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอันมีสายรัดทองและสับประรบทองมีนายควานช้างถือหอกซัดและขอขึ้นขี่คอประจําแล้วเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์ พระเวสันดอนทรงพระราชทานม้าเจ0ิร้อยตัวที่ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงเป็นม้าสินทพชาติอาชาในมีฝีเท้าเร็วมีนายสารถีถือทวนและธนูขึ้นขี่ประจำแล้วเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์พระเวชันดอนทรงพระราชทานรถเจ0ร้อยคันซึ่งผูกสอดเครื่องรบชักธงขึ้นหุ้มด้วยหนังเสือเหลืองและเสือโครงประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง มีนายสารธีสุมเกราะเถอธนูขึ้นขับขี่แล้วเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์พระเวชันดอนพระราชทานสตรีเจ็ดร้อยนางนั่งประจำในรถคันละนางสวมสอ ด, ด้วยสร้อยสังวานตกแต่งด้วยเครื่องทองมีเครื่องประดับผ้านุ่งผ้าห่มและประดับเครื่องอาพรล้วนแต่มีสีเหลืองมีดวงตากว้างใบหน้ายิ้มแย้มสะโพกงามเอวบางร่างน้อย แล้วเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์พระเวสัดนดรพระราชทานแม่โคโนมเจร้อยตัวพร้อมด้วยภาชนะเงินสําหรับรองรับน้ํานมทุกๆตัวแล้วเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์พระเวสัดนดรพระราชทานทาสีเจร้อยคนและทาสเจร้อยคนแล้วเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์พระเวสัดนดรนี้พระราชทานช้างมา้ารถและนารีที่ประดับตกแต่งแล้ว จึงเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์ในสมัยนั้นได้มีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวเมื่อพระเวชันดรพระราชทานมหาทานแล้วแผ่นดินก็จะทานหวันไหวในสมัยนั้นได้มีสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล่าวเมื่อพระเวชันดรทรงประนมมือเสด็จออกจากแคว้นของพระองค์คราวนั้นเสียงอึกทึกกือกก้องน่าสะพรึงกลัว เป็นไปในพระนครนี้ว่าชาวกรุงศรีผีขับแล่พระเวชันดร น, นั้นเพราะบริจาคทานขอให้พระองค์ได้ทรงบริจาคทานต่อไปอีกเถิดเมื่อพระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีผีจะเสด็จออกวั น, นิพกเหล่านั้นก็เป็นดังคนเมามีท่าทางอิดโรยนั่งปรับทุกข์กันแล้วกันพระเวชันดรกราบทูลพระเจ้ากรุงสนชัยผู้ประเสรศิฐผู้ทรงธรรมว่า ขอเดชะขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดในประเทศข้าพระองค์เถิดข้าพระองค์จะไปยังเขาวงกต์ข้าแต่มหาราชสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีมาแล้วที่จะมีมาและที่มีอยู่สัตว์เหล่านั้นยังไม่อิ่มด้วยกรามเลยจะต้องพากันไปสู่สำนักของพญาโยมข้าพระองค์นั้นบำเพ็ญทานอยู่ในบุรีของตนยังชื่อว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตน จะต้องออกจากแคว้นของตนเพราะเหตุแห่งคำของชาวกรุงศรีพีมอมฉันจะต้องได้สวยความขับแคนนั้นๆในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายซึ่งแรดและเสือเหลืองอยู่อาศัยข้าพระองค์จะบำเพ็ญบุญขอพระองค์ประทับจมอยู่ในเปลือกตมเถิดข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าด้วยทรงโปรดอนุญาตมอมฉันเถิดมอมฉันพอใจการบวช หม่อมฉันเมื่อบำเพ็ญทานอยู่ในบุรีของตนยังชื่อว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนจะต้องออกจากแคว้นของตนเพราะเหตุแห่งคำของชาวกรุงศรีพีหม่อมฉันจะต้องได้เสวยความขับแค้นนั้นๆในป่าอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายซึ่งแรบและเสือเหลืองอยู่อาศัยหม่อมฉันจะบำเพ็ญบุญขอพระองค์ประทับจมอยู่ในเปลือกตมเถิดพระนางพุชดีตรัสว่าลูกเอย๋ย แม่อนุญาตให้ลูกขอาการบวชของลูกจงสำเร็จส่วนแม่มั ส, สีผู้มีโฉมงามมีสะโพกผึงภายเอวบางร่างน้อยนี้จงอยู่กับลูกๆเถิดจะทำอะไรในป่าได้พระนางมั ส, สีกลาบทูลว่ามอมฉันไม่ต้องการนำแม่ทาสีไปสู่ป่าโดยที่เธอไม่ปรารถนาถ้าเธอปรารถนาจะติดตามไปก็ตามใจถ้าไม่ปรารถนาก็จงอยู่เถิด ลำดับนั้นพระมหาราชเสด็จดำเนินไปทรงวิงวอนพระสุนิสาว่าแม่มสัสีผู้มีร่างกายอัญโชลมจันทร์เจ้าอย่าได้ทรงไว้ซึ่งความหมักหมมด้วยละอองธุลีเลยแม่มสัสีเคยทรงผ้าแคว่งกาสีอย่าได้ทรงผ้าคากรองเลยการอยู่ในป่าเป็นความลําบากแม่มาสีผู้มีลักษณะางามเจ้าอย่าได้ไปเลยนะ พระนางมัสรีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางกายเด็กราบททมพระสัตสสรุะนั้นว่าความสุขใดจะพึงมีแก่ม่อมฉันโดยเว้นจากพระเวสสันดรมอมฉันไม่พึงปรารถนาความสุขนั้นพระมหาราชผู้ผดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีได้ตรัสกับพระนางมัตสีนั้นว่าเชิญฟังก่อนแม่มสัสีสัตว์อันจะรบกวนยากที่จะอดทนได้ สัตว์เหล่าใดมีอยู่ในป่าสัตว์เหล่านั้นเป็นอันมากคือเหลือบตักแตนยุงและพึ่งมันจะพึงเบียดเบียนเธอในป่านั้นความทุกข์อย่างยิ่งนั้นจะพึงมีแก่เธอเธอจะต้องได้พบสัตว์ที่น่ากลัวอื่นอีกที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำเช่นงูเหลือมสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่มีกาลังมากมันรัดมนุษย์หรือแม้แต่เนื้อที่มาใกล้ด้วยขนนแล้วนามาสู่อนานาจของมัน แม้เนื้อร้ายอื่นๆเช่นหมีดำคนที่มันได้เห็นแล้วหนีขึ้นต้นไม้ก็ไม่พ้นควายเปรียวหวิดและปลายเขาทั้งคู่ให้แหลมเที่ยวไปอยู่ในถินที่ใกล้ฝั่งแม่น้ำโสตุมพระแม่มสสีเธอเปรียบเสมือนแม่โคนมรักลูกเห็นฝูงเนื้อและโคเถกที่ท่องเที่ยวอยู่ในป่าจะทำอย่างไรแม่มสจีเธอได้เห็นลิงธมอไพรที่น่าจะเพลึงกลัว จึงบังเอิญประจวบเข้าที่ขนทางที่เดินได้ยากความหวาดหวั่นแพร่นแพรงอันใหญ่หลวงก็จับมีแค่เธอเพราะไม่รู้จักเขตแม่มัตสีเมื่อเธออยู่ในพระนครได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนยังสะดุ้งตกใจบ่อยๆเธอไปถึงเขาวงกฎจะทำอย่างไรเมื่อฝูงนกพาพันจับชุมนุมอยู่ในเวลาเที่ยงตรงป่าใหญ่เหมือนส่งเสียงกระหึ่ม เธอปรารถนาจะไปในป่าใหญ่นั้นทำไมพระนางมัตสีราชบุตรีผู้ทรงสิริโฉมเด็กกราบทูลคำนี้กับพระเจ้ากลุงสนชัยนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่มีอยู่ในปาใ่าแก่หม่อมฉันหม่อมฉันจะยอมอดทนต่อสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านั้นทั้งหมดหม่อมฉันจะต้องไปให้ได้ มอมฉันจากแหวกต้นเป้งหญ้าคาหญ้าคมบางแฝกหญ้าปล่องและหญ้ามุงกระต่ายไปด้วยอกม่อมฉันจะไม่เป็นผู้อันพระเวชันดร น, นั้นนำไปได้โดยยากกุ ม, มารีได้จามีด้วยวัตทะจริยาเป็นอันมากคือด้วยการอดอาหารทรมานท้องและด้วยการผูกขาดด้วยไม้คางโคด้วยการบำเรอไฟและด้วยการดำน้ำํา ความเป็นไม้เป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหม่อมฉันจะต้องไปให้ได้ชายใดจับมือหญิงไม้นั้นผู้ไม่ปรารถนาฉุดข้าไปชายนั้นเป็นผู้ไม่ควรบริโภคของที่เป็นเดนของหญิงไม้นั้นความเป็นไม้เป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหม่อมฉันจะต้องไปให้ได้ชายอื่นดูหมิ่นหญิงผู้ไม่มีสามี ให้ทุกมากมายไม่ใช่น้อยยหญิงผู้ไม่มีสามีนั้นด้วยการจับผมเตะถีบท้องและผลักให้ล้มลงบนพื้นดินไม่ยอมหลีกไปความเป็นไม้เป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหม่อมฉันจะต้องไปให้ได้ผู้ผู้ชายเจ้าชู้ต้องการหญิงไม้ผู้มีผิวพรรณผุดผ่องให้ซับเล็กน้อยแล้วก็เข้าใจว่าตนเป็นผู้มีโชคดี ย่อมเยอยยุติฉุกกระชาาหญิงไม้ผู้ไม่ปรารถนาจะไปเหมือนฝูงกาพากันรุมทึงนกเขาความเป็นไม้เป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหม่อมฉันจะต้องไปให้ได้อันว่าหญิงไม้แม้จะอยู่ในตระกูลญาติที่เจริญรุ่งเรืองไปด้วยเครื่องทองสำริจจะไม่ได้รับคำติเตียนล่วงเกินจากพี่น้องและเพื่อนฝูงเป็นไปไม่ได้ ความเป็นม่ายเป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพม่อมฉันจะต้องไปให้ได้แม่น้ำที่ไม่มีน้ำก็ดีเว่นแคว้นที่ไม่มีเจ้าครองก็ดีย่อมร้อยประโยชน์แม้หญิงม่ายถึงจะมีพี่น้องตั้งสิบก็เหมือนอยู่โดดเดี่ยวความเป็นม่ายเป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพมอมฉันจะต้องไปให้ได้ ธงเป็นเครื่องหมายแห่งรถควันเป็นเครื่องปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินภรสดาเป็นสีจงาของสตรีความเป็นม่ายเป็นความเจ็บปวดในโลกข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหม่อมฉันจะต้องไปให้ได้หญิงใดผู้มีเกียรติเป็นคนขัดสนในเวลาสามีขัดสนเป็นคนมั่งคั่งในเวลาสามีมั่งคัง่งหญิงนั้นแล เทพเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญว่ากระทำสิ่งที่ทำได้ยากข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นจอมทัพหมอมฉันจะต้องไปให้ได้หมอมฉันจักบวชติดตามพระสวามีไปทุกเมื่อในเมื่อแม้แต่แผ่นดินยังไม่แตกสลายไปความเป็นม่ายเป็นความเจ็บปวดของหญิงหมอมฉันข่าพระเวชันดอนแล้วก็ไม่ปรารถนาแม้แต่แผ่นดินอันมสาครเป็นขอบเขตซึ่งมีทรัพย์ครื่อปลื้มใจมากมาย บริบูรณด้วยรัตนนานประการหญิงเหล่าใดเมื่อสามีมีทุกข์ย่อมปรารถนาสุขเพื่อตนหญิงเหล่านั้นเลวสามแท้หัวใจของพวกเธอเป็นอย่างไรหนอเมื่อพระมหาราชผู้พระดุงรักให้เจริญแก่าชาวกรุงศรีพีจะเสด็จออกหม่อมฉันจะขอติดตามพระองค์ไปด้วยเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงประทานสิ่งที่น่าต้องการทั้งปวงกแก่หม่อมฉัน พระมหาราชได้ตรัสพระดำรัดนี้กับพระนางมัตสีผู้มีความงามทั่วสรรพางกายว่าแม่มัตสีผู้มีลักษณะสวยงามพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาลูกทั้งหลายเหล่านี้ของเธอยังเป็นเด็กเจ้าจงฝากฝังไว้แล้วไปเถิดพวกเราจะรับเลี้ยงดูเด็กทั้งหลายนั้นไว้เองพระนางมัตสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางกาย เดีกราบททมพระเจ้าสนชัยนั้นดังนี้ว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเป็นลูกรักของหม่อมฉันลูกทั้งสองนั้นจกโรมใจหม่อมฉันผู้มีชีวิตที่เศร้าโศกให้เรื่นเริงในป่า น, นั้นได้พระมหาราชผู้พดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงสีพีได้ตรัสกับพระนางมัสสีนั้นว่าเด็กทั้งหลายเคยสวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ปรุงด้วยเนื้ออันสะอาด เมื่อมาเสวยผ ล, ลไม้จกทำอย่างไรเด็กทั้งหลายเคยเสวยในถาทองหนักประมาณ100ร้อยปะละเป็นของใช้ประจำราชาตระกูลเมื่อต้องมาเสวยในใบไม้จกทำอย่างไรเด็กทั้งหลายเคยสวมใส่ผ้าคแคว้งกาสีแคว้นขมโอและแคว้งโกทุมพรเมื่อต้องมาสวมใส่ผ้าคากรองจกทำอย่างไรเด็กทั้งสองเคยไปด้วยคานหามวอและรถ เมื่อต้องเดินด้วยเท้าเปล่าจะทำอย่างไรเด็กทั้งหลายเคยนอนในเรือนยอดมีบานหน้าต่างปิดมิชิดเมื่อต้องมานอนในที่โคนไม้จะทำอย่างไรเด็กทั้งหลายเคยนอนบนพรมที่ปูลาดอย่างวิจิตบนบันลังเมื่อต้องมานอนที่ลาดด้วยหญ้าจะทำอย่างไรเด็กทั้งหลายเคยลูบไล้ด้วยกฤษณาและจันหอมเมื่อต้องมาแปะเปื้อนละองทุลีจะทำอย่างไรเด็กทั้งหลายเคยดำรงอยู่ในความสุข มีผู้ใช้แจจามรีและกำหางนกยูงพัดวีให้ต้องถูกเหลือบและยุงกัดจกทำอย่างไรพระนางมัสสีราชบุตรีผู้มีความงามทั่วสรรพางกายเรียกราบททนพระเจ้ากรุงสนชัยดังนี้ว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์อย่าได้ทรงปริเวทนาการและอย่าได้เสียพระไทยเลยม่อมฉันทั้งหลายเป็นอย่างไรเด็กทั้งหลายก็จกเป็นอย่างนั้น พระนางมาสัสีผู้มีความงามทั่วสรรพางไกยครั้นกราบทูลดังนี้แล้วก็เสด็จจากไปพระนางผู้มีลักษณะสโสภาทรงพาพระโอรสทั้งหลายเสด็จไปตามทางที่พระเจ้ากรุงศรีพีเคยเสด็จไปลำดับนั้นพระเวสสันดรผู้เป็นกษัตริย์ครั้นได้ทรงบริจาคทานแล้วก็ถวายบังคมพระปิดาและพระมารดาและทรงทำประทักษิณรีบเสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่ง อันเทียมด้วยม้าสินทบสี่ตัวทรงพาพระโอรสและพระชายาเสด็จไปสู่เขาวงกฎลำดับนั้นพระเวสสันดรเสด็จไปในสถานที่ที่มีหมู่ชนเป็นอันมากอยู่ตรัส บ, บอกลาว่าเราจะไปแล้วนะขอหมู่ญาติทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคเถิดเชิญดูเถิดมาสี่ที่ประทับของพระเจ้ากรุงศรีผีผู้ประเสริฐปรากฏเป็นรูปอันน่ารื่นรม ส่วนตำหนักของเราเป็นดังที่อยู่ของเปรตพราหมณ์ทั้งหลายได้ตามพระเวสสันดร น, นั้นไปพวกเขาได้ทูลขอม้ากับพระองค์พระองค์ถูกขอแล้วจึงได้ทรงมอบม้าสี่ตัวให้แก่พราหมณ์ทั้งสี่คนเชิญดูเถิดม้ี่ละมั่งทองปรากฏร่างงดงามเป็นดังม้าที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วนำเราไปต่อมาพราหมณ์คนที่ห้าในป่านั้นได้มาทูลขอราชรถกับพระองค์ พระองค์ถูกขอแล้วก็ทรงพระราชทานราชรถนั้นให้แก่เขาและพระองค์ไม่ได้มีพระไทยท้อแท้เลยลำดับนั้นพระเวสสันดรรับสั่งให้คนของพระองค์ลงแล้วทรงพอพระไทยมอบรถม้าพระที่นั่งให้แก่พราหมณ์ผู้สแสวงหาทรัพย์ไปมสซีเธอจงอุ้มแม่กันหาผู้เป็นน้องนี้ซึ่งเบากว่าส่วนพี่จับอุ้มพ่อชาลีเพราะเธอเป็นพี่คงจะหนักกว่า พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระราชาทรงอุ้มพระกุมารส่วนพระนางมัสตสีราชบุตรีทรงอุ้มทาริกาทรงยินดีร่วมกันทั้งตรัสปรสาศัยคํำอันไพเราะกับกันและกันดําเนินไปกันทานกันจบ